ที่เดินตะกุติมาเดินผ่านพระพระจะมารออยู่ริมถนนเวลาเดินผ่านพระเนี่ยจะเดินตรวจการบ้านนายังบอกอีไหนให้โยมเข้าแถวนะหลวงพอเดินบอกให้คนลรประโยชน์แล้วก็ไปเลยหลวงพ่อมีปัญหาเยอะเรื่องใช้เสียงเยอะพูดเยอะพอถึงห้าวันต่อกันนี้โม่พูดไม่ไหวแล้ว ระบบไปหมดเลยเดินหน้าเลยต้องสี่วันหยุดคนหนึ่งหลวงพ่อมนตรีท่านยับอกให้พักเยอะๆพักแล้วเราอยู่ไหนอะ่ะไม่ว่าจะหนีไปที่ไหนนาะคนก็ตามไปเยอะๆมันเวนกรรม <c oughs> เดินทางพระมาสี่องค์สามองค์หมอติคนทานบ่อยก่อน เออเดินฐานก็แค่ได้จบลนะการหน้านี้ภาวนาเนี่ยดูแต่จิตทิ้งกายไปแล้วก็กําลังไม่พอบอกให้ย้อนมาดูกายบ้างอย่าทิ้งร่างกายกายมันเป็นของหยาบเวลาดูแล้วมันได้แรงจิตมันเป็นของละเอียดนะั่นถ้ากําลังเราไม่พอดูไปแล้วมันเพลินเพลินเลย ถ้าสังเกตไม่ดีใจไม่ตั้งมัน่นแต่ถ้าสังเกตดีๆนะช่างสังเกตเนี่ยไปได้อย่างง่ายๆเลยให้มารู้กายขึ้นมาอาศัยกายเป็นของหยาบก็รู้สึกตัวได้ชัดเจนขึ้นพอ ม, มีเรื่องมีแรงแล้วก็จิตเคลื่อนไหวมันก็รู้สึกเองแหละผ่านองค์ที่สองนี่พระแมนใช้ไม่ได้ชอบไปเพ่งไว้ ชอบจะไปโรมาโลกอย่างเดียวไม่ค่อยอยู่กับมนุษย์โลก <c oughs> ที่ตลกที่สุดองค์ที่สามนะอ่านท่าปองมอ <c oughs> โอ้ปองวันนี้ดีปองเลยไม่ดีเลยตั้งแต่นั้นอมันดียังไงไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วมันดียังไงสงสัยว่าต้องไปทำยังไงแล้วมันถึงจะดีทีแรกที่ว่าดีก็เพราะว่ารู้สึกตัวอยู่เฉย รู้สึกกายรู้สึกใจโดยที่ไม่ได้จงใจรู้สึกก็ดีสิรู้โดยไม่ได้จงใจจะรู้รู้เพราะจิตมันจําสภาวะได้ก็รู้สึกขึ้นมาพอท่านไปคิดบอกว่าเอ๊ะเราทําอะไรมาหว่ามันถึงดีค้นคว้าใหญ่หาวิธีทําเนี่ยเลยไม่ดีเลยเพราะพยายามจะทำํำ ให้รู้เอานะให้รู้ความปรุงแต่งไม่ใช่ให้ปรุงแต่งแต่บางครั้งก็ต้องอาศัยความปรุงแต่งอย่างดูจิตดูใจไปมันหมดกาลังมันก็ต้องพักผ่อนทำความสงบเพิ่มบ้างทำสมาธิไม่ได้นะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกถึงร่างกายที่เคลื่อนไหวไม่บ้างก็ยังดีนี่ก็ทำขึ้นมาแต่เป็นการทำที่เกิดจากความจาเป็นต้องทเพอใจไม่มีกําลัง เพีในใจขาดสมาธิต้องไปทําสมาธิขึ้นมาช่วงไหนสมาธิมากไปแล้ ว, นะวก็ต้องหยุดหันมารู้สึกกายรู้สึกใจส่วนพวกที่ทําด้วยการเพ่งเอาไว้นิ่งลูกเดียวเลยเพ่งไว้ลูกเดียวพวกนี้ต้องเลิกเลยอีกพวกหนึ่งไม่ต้องทําอะไรนะรู้สึกตื่นขึ้นม่เฉยๆไห ม, ไหมเดินผ่านพระมีสมตัวอย่างเห็นไหมพวกหนึ่งไม่มีกําลัง ที่าดูจิตไม่มีแรงจะดูจิตก็มาดูกายไวนะ้อันที่2พวกที่ติดสมถะนะอย่าไปติดมันถอยออกมาทิ้งมันให้ได้ใจถึงถึงนะใจถึงถึงอย่าไปเกาะนิ่งลูกเดียวแล้วคิดว่านิ่งนิ่งแล้วจะดีพวกที่3ดีแล้วรู้สึกแล้วนะก็อย่าไปค้นคว้ามันถ้าค้นคว้ามันนะมันก็คงพังภาพลงไปอีก นี่ดีนะมีพระท่านี้นะถ้ามีต่อมาเราจะมีตัวอย่างเยอะกว่านี้สนะังเกตดูนะแต่ละคนนะบางคนก็บอกว่าให้ทําเพิ่มหน่อยหนึ่งคนบอกให้เลิกทำํำแต่ละคนเนี่ยกรรมฐานของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันกรรมฐานเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะห้ามเรียนแบบกันใครๆต้องติดป้ายแบบโทรทัศนุใช่ไหมอะไรความสามารถเฉพาะตัวห้ามเรียนแบบอนะไรเงี้ย ห้เรียนแบบกรรมฐานทางใครทางมันบางคนก็ต้องทำสมาธิก่อนบางคนต้องมารู้กายบางคนก็ไปรู้จิตสุดท้ายก็คือรู้ทันความปรุงแต่งจนเลิกปรุงแต่งการจะรู้ทันความปรุงแต่งนี่บางครั้งก็ต้องอาศัยความปรุงแต่งก่อนในเบื้องต้นโดยธรรมชาติแล้วจิตนี้ปรุงแต่งตลอดเวลา เราดูไม่ออกสําหรับบางคนดูไม่ได้ว่าจิตปรุงแต่งเราต้องปรุงแต่งอะไรขึ้นมาสันหนึ่งก่อนแล้วค่อยไปอาศัยอันนั้นรู้ทันความปรุงแต่งอันนั้นแล้วก็ข้ามพ้นความปรุงแต่งไปเนื่องแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนต้องไปแต่งพุทโธขึ้นมาก่อนแต่งรู้ลมหายใจไปแต่งเดินจงกรมไปแต่งยกเท้าย่างเท้าดูท้องฟองยุบไปแต่งขยับไม้ขยับมือสึ่งเหล่านี้ของปรุงแต่งทั้งหมดเลย มันไม่ใช่ของธรรมชาติไม่ใช่เคลื่อนไหวตามธรรมชาติเป็นการแต่งขึ้นมาทั้งหมดบางคนจำเป็นต้องแต่งขึ้นมาแล้วก็คอยมารู้ทันว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่นี้มันไม่ใช่ตัวเราขนาดที่ปรุงแต่งอารมณ์กรรมฐ า, านอันใดนหนึ่งนั้นบางครั้งจิตก็หนีไปก็เห็นอีกจิตมันไม่ใช่เราเบื้องต้นอาศัยความปรุงแต่งก่อนแล้วรู้ทันความปรุงแต่งจะเหลือแต่รู้แล้วเลิกปรุงแต่ง บางคนก็ไม่ต้องบางคนสติสมาธิเพียงพอให้รู้ทันลงไปเลยจิตมันทําอะไรรู้ทันมันลงไปรู้ลูกเดียวไม่ต้องทําอะไรต้องละความคิดที่ผิดๆซะก่อนความคิดที่ผิดก็คือความคิดที่ว่าทํายังไงจะดีทํำยังไงจะภาวนาถูกเนี่ยเรคิดว่าทํายังไงจะดีทํายังไงจะถูกมันก็คิดแต่จะทํา ต้องใจถึงถึงใจกล้ากล้าอย่าไปกลัวว่ามันไม่ดีร่างกายเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างงั้นจิตเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นงนั้นดีก็ได้ไม่ดีก็ได้สงบก็ได้ฟุ้งซ่านก็ได้ใจถึงถึงดูเข้าไปเลยพวกใจถึงนี่ก็สั้นหน่อยไม่ต้องไปแต่งอะไรยืดเยื้อยาวนานไม่ลำบาก ถ้าใจไม่ถึงก็ต้องไปแต่งอะไรขึ้นมาก่อนอาศัยสิ่งนั้นเป็นทางฐานเรียนรู้ความปรุงแต่งจนหมดความปรุงแต่งพวกใจถึงถึงให้รู้ทันความปรุงแต่งไม่คิดหรอกว่าแต่งแล้วจะได้แต่ปฏิบัติแล้วจะได้อะไรไม่แต่งอะไรมีแต่คําว่ารู้ไม่มีคําว่าทํำตลาดสายการปฏิบัติมีแต่รู้รู้ลูกเดียวไม่ทําอะไรพวกนี้เสียสั้นหน่อยแต่ไม่ใช่ทุกคนทําได้ เราก็ดูตัวเราอันไหนพอดีพอเหมาะพอควรนะแต่คนส่วนใหญ่พื้นๆเลยก็คือให้ดูจิตดูใจไปนะสำหรับพวกเราชาวเมืองนะให้ดูใจไปตอนไหนดูไม่รู้เรื่องก็มาดูกายดูกายก็ยังไม่ไหวนะจิตใจฟุ้งซ่านมากทําความสงบเพราะมาทําสมถะถ้าทําสมถะไม่เป็นหาอารมณ์ที่เป็นกุศลขึ้นมาสักอันแล้วอยู่กับอารมณ์อันนั้น หารมที่เป็นกุศลเช่นคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงคำสอนของครูบาอาจารยนะ์คิดถึงคนดีๆอย่างสูง ว, ว่าคิดถึงในหลวงคิดถึงในหลวงในหลวงทำความดีเยอะเราคิดถึงแล้วเราอิ่มอกอิ่มใจอะไรเงี้ยใจสงบเข้ามาการที่คิดสิ่งที่ดีๆเรียกว่าอนุสติคิดถึงพระเจ้าแผ่นดินที่ดีพระราชาที่มีธรรมะ เรีว่าคิดถึงเทวดาเทวดานุสติแล้วท่านคือเทวดาเป็นสมมุติเทพแต่พระราชา บ, บางองค์เป็นเทพจริงๆนะเป็นเทพจริงๆเป็นวิสุทธิเทพมีบางองค์ก็เป็นสมมุตติเทพอย่าสงสัยมากจนไม่ต้องค้นคว้าว่าองค์ไหนนะอย่างพระเจ้าสุโทโธธนะเนี่ยเป็นสมมุติเทพด้วยเป็นวิสุทธิเทพด้วยเป็นพระอรหันต อ ย, อย่าคิดมากเราคิดถึงคนที่ดีๆมีคุณงามความดีจิตใจเรามีความสุขใช่ไหมเราไปคิดถึงผู้ร้ายเนี่ยจิตใจไม่มีความสุขพอจิตใจเรามีความสุขมีความสงบเนะนี่ยคือสมถาละสมมถะที่ง่ายๆหรือทําอะไรก็ไม่เป็นนะไปดูริ่มแม่น้ําที่เขามีปลาให้เลี้ยงซื้ออาหารให้ปลากินบ้างอะไรบ้างทําทาน ทำทานแล้วเราก็อิ่มเอิบใจอยู่กับทา น, นได้ให้ปลายกินอาหารการคิดถึงทานของเราเรียกจักขานุสติมีทานมีการให้คิดถึงแล้วจิตใจอิ่มเอิบเนี่ยบางคนไม่มีอะไรเลยนะรักษาศีลให้ดีรักษาศีลมานานใต้ไตรมาสนึงแล้วโอ้ยังไม่ด่างพลอยเลยทันทีที่คิดว่าศีลของเราไม่ด่งพลอยนะสมาธิจะเกิดขึ้นอัตโนมัติเลย ไม่ฉี่รู้สึกไหมเวลาเราทบถวนนะโอ้หลายเดือนมานี้สีเราไม่มีดังปร้อยเลยหรือว่าช่วง15วันนี้ปักหนึ่งนี้สีเราไม่ได้ดังพ้อยเลยมันเกิดความอิ่มโมยิ่มใจขึ้นมาจิตเกิดสมาธิขึ้ น, นเห็นไหมเรามีคุณงามความดีพอเรานึกถึงเราก็ร่มเย็นเป็นสุขถ้าเราทําแต่เรื่องชั่วๆคิดก็ร้อนไม่สงบสมัยพุทธกาลมีพระองค์นึง ไปบวชภาวนาไม่ได้อะไรสักอย่างเลยไม่สําเร็จอะไรเลยเสร็จแล้วท่านก็ท้อแท้ใจจิตเจริญขึ้นมาแล้วก็เสื่อมจเจริญแล้วก็เสื่อมเงี้ยท่านเลยกะอะไรท่าเจริญเมื่อไหร่นะท่านจะเชื้อคอตายจะต้องตายตอนเจริญถ้ามันจะดีกว่านี้นี่มีความคิดที่ผิดนะวันหนึ่งภาวนาจิตดีรู้ตื่นเบิกบานนะ รู้ตื่นเบิกบานเอามีดโกนมาเลยเชือดคอเลยยืนเชือดนะตรงนี้ยืนเชือดแล้วก็พิงอะไรอยู่ไม่รู้จําไม่ได้พิงต้นไม้หรือพิงฝากุติไม่รู้เชือดไปแล้วท่านก็นึกว่าบวชมาทั้งชาตินะหาดีไม่ได้สักอย่างรักพวกรุ่นเดียวกันได้มากผลไปแล้วเราไม่ได้อะไรแล้วท่านก็คิดว่าตั้งแต่บวชมานี้ท่านได้อย่างหนึ่งสีนของท่านไม่เคยด่างพร้อยเลยท่านอิ่มอกอิ่มใจว่าสีนของท่านดี ใจก็สงบทันทีเลยในขณะนั้นเห็นร่างกายที่ยืนพิงเลือดไหลอยู่นี่กําลังจะตายนี่เห็นร่างกายก็ส่วนกายนะจิตอยู่ส่วนจิตจิตไม่ดิ้นรนค้นคว้าอะไรตายก็ตายอะไรอย่างงี้ยจิตหมดความปรุงแต่งลงไปในขณะนั้นบรรลุพระอรหรันหต์บรรลุพระอรหันต์พร้อมกับสิ้นชีวิตพวกพระก็มาเล่าลือกันนี่องค์นี้ฆ่าตัวตายสงสัยจะแปบอบายพระเจ้าบอกองค์นี้นิพพานไปละผ่าน นิพพานได้ยังไงนิพพานได้เพราะว่าไปคิดถึงศีลที่ดีของตัวเองงั้แค่ศีลดีๆนะจิตใจจะตั้งมั่นได้มีความสุขได้ถ้ามารู้กายรู้ใจต่อถึงนิพพานได้มีตัวอย่างมาแล้วนะงั้นคุณงามความดีนิดๆหน่อยๆก็ต้องเอานะอย่าทิ้งแล้วก็ที่สําคัญที่สุดต้องหัดเจริญสติรู้สึกกายรู้สึกใจเรื่อยๆมันง่ายกว่าที่นึกไว้เยอะง่ายมากของพ่อมนตรีก็บอกข้อง่ายเนาะ เคยบอกคุูอําพลไหมพี่อําพลมาเคยเล่าไหมท่านง่ายนะง่ายนะเคยได้ยินไหมไปหาครูบาอาจารย์องค์ไหนก็บอกง่ายหมดเลยองค์สุดท้ายนะไปลาท่านบวชหลวงพอมณรีท่านชวนเราบวชแต่บวกก็เลยไปลาท่านก็บอกละโมดง่ายนะมันง่ายนะไอ้คำพูดประโยคนี้น่ช่วยเราเยอะเลย เวลาเราทําศึกแบบตะลุมบอลเนี่ยเราอยรู้สึกว่าผิดละเอ๊ครูบาอาจารย์แต่ละองค์บอกว่าง่ายๆนะทำไมมันยากนักหนาเพราะฉน้นถ้าเมื่อไหร่รู้สึกว่าภาวนาแล้วยากนะหยุดเลยนะทําผิดแน่นอนภาวนาถูกต้องง่ายจิตใจต้องมีความสุขด้วยไม่ใช่ภาวนาไปด้วยจิตใจแห้งแล้งจิตใจที่แห้งแล้งมันเป็นอกุศลเวลาใครสังเกตใจเราใจเราต้องมีความสุขในการปฏิบัติ มีความสุขตั้งแต่เริ่มลงมือปฏิบัติไม่ใช่ว่ายอมลำบากไปก่อนแล้วมีความสุขทีหลังทำไมเรามีความสุขมากเพราะว่าเราเห็นความทุกข์มากอะไรเรียกว่าทุกข์ทุกข์ไม่ใช่ความทุกข์อย่างภาษาไทยนะคำว่าทุกข์ในทางศาสนาพุทธเนี่ยทุกขสัตว์เนี่ยคือกายกับใจนิยามของคำว่าทุกขสัต์เนี่ยนะคือกายกับใจเพราะนัาที่เรารู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจ เราก็จะเห็นเลยทั้งกายทั้งใจมันมีแต่ความทุกข์เนี่ยแต่ใจเราที่ไปรู้กายรู้ใจมันไม่ทุกข์ด้วยมันอยู่ต่างหากมันไม่ทุกข์ด้วยหรอกกายก็ทุกข์ไปสิจิตใจไม่ได้ทุรนทุรายด้วยจิตใจก็ไม่ทุกข์เนี่ยกิเลสเกิดขึ้นมาเนี่ยจิตใจไม่ทุรนทุรายด้วยจิตใจก็ไม่ทุกข์อะไรๆเกิดขึ้นจิตใจก็ไม่ทุกข์ลูกเดียวมันช่วยไม่ได้นะมันมีความสุขทําไมมันมีความสุขมากมายในขนาดนั้นตั้งแต่ลงมือปฏิบัติเพราะว่ามันมีสติ จิตที่มีสติเป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลมีความสุขอยู่ในตัวเองนะอย่างมากลดลงมาหน่อยก็เป็นอุเบกขาจิตที่เป็นกุศลจะไม่มีความทุกขนะ์นั้นถ้าเมื่อไรจิตใจเราภาวนาแล้วเครียดขึ้นมาแล้วหยุดเลยทําผิดแล้วล ะ, ละแทนที่จะทําทกุศลกลายเป็นทําอกุศลขึ้นมานะส่วนใหญ่เกือบร้อยละร้อยของผู้ปฏิบัตินะเครียดที่เครียดเพราะว่าไปคอยบังคับกายบังคับใจไปบังคับมัน ทันทีที่คิดเรื่องการปฏิบัติก็เพ่งเงาเพ่งเงาเพ่งเงานะจะยืนจะเดินจะนั่ ง, จ ะ, งจะนอนผิดธรรมชาติไปหมดเลยเหนื่อยเครียดมีคราวหนึ่งไปเห็นมะเป้งตอนนั้นท่านทํามณดบใหม่แต่กุฏิไม้ยังไม่ลื้อไปท่านให้หลวงพ่อไปอยู่กุฏิเก่าท่านเนกุฏิไม้ก็อยู่ติดมณดบเรานึ่หูเกรงเลยเตียงนอนของท่านก็อยู่ตรงที่เรานอนลรานอนอยู่ปลายเตียงท่าน มองลงมาก็เห็นท่านทั้งคืนเลยว้าท่านไม่นอนท่านไม่ค่อยนอนนะเราก็ไม่กล้านอนนะเราก็ต้องพยายามฝืนใจนั่งไปเดินบ้างนั่งบ้างนะอาจารย์ยังไม่นอนเลยเสร็จแล้วเห็นท่านไม่นอนอดีใจไม่ได้ดีใจว่าได้ปาวนาเยอะนะั้นดีใจได้นอนแล้วลงไปนอนที่สองมกว่าเรสโละสะเลอุย้ยท่านเดินอีกแล้วลุกขึ้นมานั่ง นั่งเห็นท่านเดินจงกรมตะคุ่มตะคุ่มอยใจก็สงสัยเอครูบาอาจารย์เดินจงกรมนี่ท่านเดินท่าไหนวะนี่ใจอยากรู้นะใจอยากรู้ท่านมองแวบมาอยู่คนลหลังนะ <c oughs> แอบแอบคิดเอท่านเดินท่าไหนนะท่านเดินให้ดูเลยท่านเดินเวียงแขน <c oughs> โอ้เดินฟรีสไตล์นี่วานี่แท้ก็คือ ทุกอิกริยาบถ ท, ที่เคลื่อนไหวนั่นแหละให้รู้สึกตัวนี่ท่านสอนอันนี้นะเราเรู้เลยเลิกกังวลเรื่องว่าท่าเดินยังไงถึงจะถูกต้องเดินนับมือไปอย่างนี้ถึงจะถูกหรือตรงนี้จะถูกคิดว่ามีกระบวนท่าแล้วมันจะดีะถ้าคิดว่ามีกระบวนท่ารแล้วดีนี่เรียกว่าศิลพัตะปรามาตรศิลพัตะปรามาตรคิดว่าทําอย่างนี้แล้วจะดีทําอย่างนี้แล้วจะดีนี่แหละถือศีลมันเป็นพรสอย่างงมงาย ทำแบบรูปรูปคลำคลำคาว่ารูปรูคลําลสังเกตไหมเราจะคลาใครทักคนเราคลาข้างนอกเขาใช่ไหมคลาร่างกายเขคลําเข้าไปไม่ถึงจิตถึงใจเฉะนั้นศีลพัสาปรามาสเนี่ยมันเป็นเน้นอยู่ที่อิริยาบถข้างนอกเท่านั้นที่รูปแบบที่เปลือกไม่คํานึงถึงแก่นของการปฏิบัติศีลพัสาปรามาสก็จะไปดูว่าต้องทําอย่างนี้แล้วดีเดินท่านี้แล้วดี ต้องกินอาหารชนิดนี้ดีต้องไม่กินอย่างนี้ถึงจะดีเนี่ยบางคนคิดนะต้องกินเจแล้วถึงจะภาวนาดีนี่แหละศีลพธธัตะปรามากแต่ถ้าร่างกายของคนนี้ไม่ถูกกับเนื้อสัตว์กินเนื้อสัตว์แล้วไม่มีความสุขก็กินเจอย่างนี้ไม่เรียกว่าศีลพธธัตะปรามากงั้นไม่ได้อยู่ที่กิริยาการทางร่างกายภายนอกนะการปฏิบัติเนี่ยดูที่ใจถ้าจิตใจถูกต้องแล้วภายนอกอะไรก็ได้ ไม่ใช่ภายนอกต้องสวยต้องงามต้องดีถ้าคิดว่าต้องสวยต้องงามต้องดีภายนอกเนี้ยนี่แหละเรียกว่าศิรพัตประมารบางคนนั่งสมาธิตัวตรงแน้วเลยมีพระองค์หนึ่งสมัยก่อนคนชอบนิมนต์ไปปลูกเสกพระเครื่องท่านปลูกเสกหรือเปล่าก็ไม่รูร้พอไปถึงท่านก็นั่งสมาธิของท่านนู่นสว่างเลยท่านก็ลืมตาขึ้นมาท่านอาจจะไม่ได้ปลูกเสกอะไรเลยท่านไปนั่งสมาธิของท่านเฉยๆก็ได้ นั่งตัวตรงแล้วไม่กระดิกในขณะที่บางคนนั่งสมาธินะดูไม่ได้เลยหัวซุกหัวสุนนะแต่ใจเขาตรงนี่ะั้นใจนี่แหละสำคัญถ้าเรายังแค่รู ป, ร ป, รปครๆคลำคลต้องเดินท่านี้ถึงจะถูกนี่เรียกว่าศิลภัตตประมาศ ร, รูปคลำของภายนอกรูปรู ป, รปคลำคลำถ้าดูเข้าไปให้ลึกซึ้งถึงจิตถึงใจถึงจะใช้ได้จริง สังเกตอยู่ที่ใจเราเรื่อยๆนะรู้สึกไปใจเราปรุงแต่งอะไรก็รู้สึกไปรู้ทันความปรุงแต่งอย่าไปปรุงแต่งซะเองแล้วก็ไม่ต้องคิดว่าทำยังไงจะไม่ปรุงแต่งตรงที่พยายามไม่ปรุงแต่งนั่นแหละปรุงแต่งเหมือนมีพระองค์หนึ่งไปหาหลวงปู ด, ดูลมาทำไงจะภาวนาได้ดีรวดเร็วบอกหยุดคิดสิหยุดคิดเลยพอหยุดคิดจิตก็รู้ หายไปพันษาหนึ่งนะกลับมามาบอกหลวงปู่ผมหยุดคิดไม่ได้เลยลงปู่แล้วไปคิดอะไร <laughs> คิดว่าทำยังไงจะหยุดคิดได้ <laughs> <laughs> คิดมาหนึ่งพันศานะไม่ได้เรื่องเลยนะอยากได้เรื่องได้ราวก็รู้สึกเา่ารู้สึกกายรู้สึกใจ <laughs> เห็นในร่างกายนของปรุงแต่งอะไรเป็นความปรุงแต่งของกายรู้ไหมอะไรคือกายสังขาร ล, ลมหายใจลมหายใจเป็นกายสังขาร อะไรเป็นความปรุงแต่งของวาจามีตกมิจาร์เป็นความปรุงแต่งของวาจาแล้วว่าจีสังขารอะไรเป็นความปรุงแต่งของใจสัญญาและเวทนาเป็นความปรุงแต่งของใจสังเกตดูอาศัยสัญญาและเวทนาเช่นนั่งอยู่ดีๆหน้าคนนี้โผล่ขึ้นมาไม่ได้นึกได้คิดนะอยู่ๆมันโผล่ขึ้นมาจําหน้ามันขึ้นมาได้ใจมันผุดความจํานี้ขึ้นมา ใจก็ปรุงต่อเลยอ่ออีนี่โคงแชร์เราเมื่อ25่สิบห้าปีก่อนลืมไปนานแล้วนะอยู่อผุดขึ้นมาน อ, อีกอันหนึ่งก็สังขารความคิดนั่นเองคิดได้ทั้งวันทั้งคืนคิดไม่เลิกความคิดนั่นแหละตัวปรุงแต่งความคิดนี่เป็นหัวโจรุงแต่งนึกว่าอาพสังขารมานเป็นระดับมานระดับอภิมานไม่ใช่มานกระจกเ น, นี่ยความปรุงแต่งนะทางกาย เรียกว่ากายสังขารคือลมหายใจสังเกตไหมร่างกายเนี่ยมีลมหายใจหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดวันตลอดคืนให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปปรุงแต่งถามว่าปรุงแต่งยังไงปรุงแต่งกายสังขารก็ดัดแปลงการหายใจของตัวเองเช่นต้องหายใจอย่างนี้นะต้องลึกนะต้องกระทบที่ปลายจมูกต่อกระทบจะงอยปากกระทบจมูกกระทบเพดานกระทบคอกระทบอกกระทบท้อง เรื่องมากอันนั้นเป็นเรื่องของสมถะให้เรารู้ทันกายสังขารเราเห็นในร่างกายนี้เป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลานี่เป็นความปรุงแต่งอย่าไปแต่งมันซะเองอย่าไปบังคับการหายใจของตัวเองแล้วก็อย่าไปบังคับร่างกายด้วยไม่ต้องเดินสวยๆต้องยกเท้าสูงจากพื้น4นิ้วนี่สำนักนี้5นิ้วสำนักนี้6นิ้ว หลวงพ่อเคยเจอนะักก่อนบวชตอนเด็กๆมีทหารคนหนึ่งออก ท, ทุทัตถ์สอนเดินจงกรมยกเทานะแบบ้านี่นะแบบขาเนี่ยต้องตั้งฉากกับพื้นอย่างเงี้ยยกขึ้นมาสูงนะยกขึ้นถึงบ้านเอวเลยขาเดินจงกรมต้องเดินท่านี้ถ้าอื่นผิดโอ้หนี่มันหัดเต้นโขนนะนะไอหัดเต้นโขนแล้วมันคงบรรลุพระรหัสกันหมดอนะ่นะฉีกขาได้สวยงาม <laughs> เดินท่านั้นท่านี้นะ ถ้าเดินแล้วแปลกๆ แ, แ, แล้วบรรลุนี่นปูของบรรลุก่อนเรามันเดินแปลกดีเดินกระเถิบกระเถิบไปอะไรเงี้ยแปลกนั่นไม่เกี่ยวนะส่วนวัจจีสังขารเนี่ยก็ห้ามไม่ได้กายะสังขารเราห้ามไม่ได้เราหายใจทั้งวันวัจจีสังขารเราก็ไม่ห้ามมิตกวิจาร์นี่ใจมันจะคิดนะ่ะใจมันจะตรึกใจมันจะตรองไม่ห้ามมันแต่อย่าไปช่วยมันตรึกอย่าไปช่วยมันตรองอย่าไปแทรกแซงการตรึกการตรองของมันนะ ให้รู้ว่าจีสังขารที่เกิดขึ้นคือความตรึกความตรองที่เกิดขึ้นก็ให้สักว่ารู้สักว่าเห็นแล้วเราก็จะพบว่าใจของเราเนี่ยพูดแจ้วแจ๊วทั้งวันเพียงแต่บางทีพูดออกเสียงให้คนอื่นได้ยินบางทีพูดไม่มีเสียงให้คนอื่นได้ยินพูดอยู่คนเดียวพูดทั้งวันไม่เคยหยุดนี่เป็นธรรมชาติของมันเป็นธรรมชาติของว่าจีสังขารก็เหมือนร่างกายเราไม่ได้คิดให้มันหยุดหายใจเราก็ไม่ต้องไปคิดให้ว่าจีสังขารดับก็แค่รู้มัน จิตสังขารก็เหมือนกันเราไม่ได้มุ่งพาวนาเพื่อจะดับสัญญาและเวอะไรนะสัญญาและเวทนาสัญญาและเวทนาไม่ได้มุ่งดับมันนะถ้ามุ่งไปดับสัญญาและเวทนาไม่เป็นสมาธิสมบัติบางคนสอนให้ดับสัญญาและเวทนาสอนให้กำหนดไปเรื่อยเลยจหยิบอะไรกำหนดนะให้จิตมันแนบลงไปการกำหนดลงไปมากๆเนี่ยไม่สนใจจิตใจเาเรียก ไปสร้างสัญญาวิราคาขึ้นมายังไม่คิดไม่นึกเลยเดพ่งลูกเดียวจิตจะดับลงไปแล้วไปเป็นพรหมลูกฟักบางสำนักก็สอนให้ดับเมทนาเมทนานี่ดับไม่ได้บางสำนักสอนให้ดับเวทนานะให้กําหนดไปเรื่อยๆแล้วเวทนาจะดับคิดว่าถ้าเวทนาดับตัณหาจะดับถ้าตัณหาดับอุปาทานจะดับอุปาทานดับภพจะดับชาติจะดับทุกข์จะดับนั้นภาวนาจะมุ่งดับเมทนา เวทนาดับไม่ได้เพราะเวทนาก็เป็นจิตสังขารเวทนาเป็นองค์ธรรมชนิดหนึ่งซึ่งเกิดร่วมกับจิตทุกดวงนะสัญญาและเวทนาเนี่ยเกิดร่วมกับจิตทุกๆดวงเลยนะไม่ไม่ดับไปนะเพราะงั้นคอรู้สึกเอาหลายคนภาวนาแล้วจะดับเวทนาดับไม่ได้บางทีภาวนาเมื่อยใช่ไหมทำยังไงจะข้ามเวทนาได้ข้ามปัญหาอะไรอะ่ะ เราเรียนรู้ไปให้เห็นว่าเราบังคับมันไม่ได้ไม่ใช่เรียนไปข้ามมันข้ามมันได้ก็รู้สึกว่ากูเก่งสินั่นเรียนลงไปเห็นในร่างกายนี้นั่งนานนานมันปวดมันเมื่อยนี่หน้าที่ของร่างกายร่างกายมันเป็นอย่างนี้แหละมันต้องปวดต้องเมื่อยต้องเจ็บนะแต่พอมันเจ็บมันป่วยขึ้นมาใจเราก็กระสับกระส่ายไปด้วยใจก็ปรุงแต่งไปด้วยให้รู้ทันต่อไปมันจะได้แต่เจ็บทางกายแต่ใจไม่ปรุงต่อไม่ปรุงเองนะเพราะมีปัญญาแก่กล้า แต่ถ้าใจยังจะปรุงแต่งก็เรื่องของใจไม่ใช่เรื่องของเราหน้าที่เราก็รู้ทันเท่าที่มันเป็นรู้รูปเดียวรู้ไปเรื่อยๆนี่เราค่อยเรียนความปรุงแต่งนะความปรุงแต่งทางกายทางวาจีทางใจทางใจก็สัญญาและเวทนานี่แหละเป็นความปรุงแต่งสังขารจิตสังขารอาศัยสัญญาสายเวทนาวิตกวิจารก็ปรุงแต่งความคิด ชิดมากแล้วก็ล้นออกมาเป็นคําพูดเนี่ยพูดข้างในก่อนแล้วมาพูดข้างนอกทีหลังหลายคนจะฝึกไม่ให้พูดข้างในแหละพูดแจ้วแจ๊วหลวงปู่ดูลถึงบอกพวกที่บอกว่าไม่พูดงดพูด3เดือนมีนะพวกพระวดพูดหลายๆเดือนมีหลวงปู่บอกไม่จริงหรอกมันพูดข้างในมันแค่พูดไม่ให้คนอื่นได้ยินเท่านั้นแหะนั้นเราไม่ได้ไปดัดแปลงความปรุงแต่งทางกายทางวาจาทางใจให้เรารู้ทันความปรุงแต่ง ถ้าเรารู้ทันความปรุงแต่งทางกายแล้วก็จะเห็นเลยกายนี้เป็นแค่ก้อนธาตุอันหนึง่งมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกถ้าเรารู้ทันความปรุงแต่งของวจีเราเห็นเลยวิตกวิจาร์มันก็มีหน้าที่เกิดขึ้นมาดับไปเกิดขึ้นมาดับไปนะห้ามมันก็ไม่ได้นะใจมันจะคิดใจมันจะนึกใจจะปรุงจะแต่งก็ห้ามมันไม่ไดเ้เห็นเลยว่าห้ามไม่ได้ไม่ไปควบคุมบังคับมัน รู้ทันจิตตสังขารเราก็เห็นเลเวทนามีเหตุก็เกิดหมดเหตุกะดับแต่ว่าเวทนาเกิดร่วมกับจิตทุกดวงเลยแต่มันมีหลายแบบบางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์บางทีก็เฉยเฉยบางทีเป็นโสมนัสบางทีเป็นโทมนัสสุขนี่ใช้กับเวทนาทางกายนะโสมนัสใช้กับเวทนาทางใจสุขเวทนาเนี่ยโดยศับเนี่ย ถ้าเราเรียนแบบหยาบหยาบเมตนา3อย่างสุขเวทนาก็ครอบคลุมความสุขทั้งกายและใจถ้าแยกเวทนาให้ละเอียดออกไปก็มีสุขกายกับสุขใจสุขกายเรียกว่าสุขเวทนาสุขใจเรียกสมนัติเวทนาความทุกข์กายทุกข์ใจก็เหมือนกันทุกข์กายก็เรียกทุกขเวทนาทุกขใจก็เรียกโทมนัสเวทนาโทมนัสแล้วก็เลยมีอุเบกขายตัวเลยมีห้าตัวเมทนาห้าตัวยังแยกออกไปได้อีก ถ้าอยากแยกให้มากๆนะแต่และตัวบางตัวก็มีสิ่งยั่วยวนให้เกิดบางตัวก็เกิดเองไม่ต้องยั่วยวนอย่างเราภาวนาบางทีมันมีสมนัติผุดขึ้นเองไม่ได้เจตนาให้เกิดเกิดเองบางทีก็ต้องทำให้เกิดต้องไปเจอสาวสวยๆก่อนแล้วถึงจะมีความสุขใจนีนอาศัยเหยื่อล่อ น, นี่เราเรียนลงไปนะเราเรียนลงไปมีแต่เรื่องปรุงแต่งทั้งหมดเลย ทั้งกายทั้งใจเนี่ยดูไปเรื่อยๆไม่เห็นมีอะไรมีแต่ธาตุมีแต่ขันเขาทางานของเขาทั้งวันทั้งคืนนะดูให้มากๆดูจนเข้าใจดูจนรู้แจ้งพอรู้แจ้งแล้วก็ไม่ยึดถือนะทีแรกเข้าใจก่อนเข้าใจแล้วมันไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีได้โสดานะต่อไปรู้ลงไปแจมแจ้งเลยทั้งกายทั้งใจมีแต่ทุกข์ล้วนๆจิตไม่ยึดกายไม่ยึดใจก็เป็นพระลรหนะันแะล้วนะ แ้วถามว่าพระละหันมีความทุกข์ไหมมีนะพระละหันก็มีความทุกข์ไม่สบายเจ็บป่วยหิวหนาวร้อนกระหายอะไรเงี้ยเหมือนคนธรรมดาไม่ใช่ว่าผิดธรรมดาพระละหันได้เจอความพลัดพรากไหมเจอเจอแตสิ่งที่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบเจอคนโน้นคนนี้อะไรเงี้ยเจอแต่ว่าไม่มีคําว่าชอบไม่ชอบหรอใจมันเป็นกลาง ใจมันไม่ยินดีไม่ยินร้ายต่อผัสสะทั้งหลายใจมันเป็นกลางเพราะรู้ว่ามันของหลอกๆเหมือนภาพลวงตานะชีวิตของเราเหมือนภาพลวงตาท่านนี่เองเหมือนพยับแดดเหมือนเปเลวหมอกอย่างเงี้ยมีเทียบไปหลายตัวในพระไตรปิฎกเหมือนความฝันจริงแล้วเราก็เหมือนเราฝันอยู่ใช่ไหมบางทีก็ฝันดีบางทีก็ฝันร้ายบางทีฝันถึงคนนี้อยู่กันหวานแหววตายไปละอย่างเงี้ย เหมือนภาพลวงตาไม่ใช่ของจริงนะ้ารู้สึกไปเรื่อยนะจนเห็นความจริงของมันเลยใจนี่มันจะค่อยเป็นกลางสงบสันติขึ้นมาเห็นโลกเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปล้วนแต่ภาพลวงตาทั้งหมดเลยเห็นด้วยใจนะไม่ใช่คิดเอาคิดเอาใช้ไม่ได้เอาวันนี้คุณอมารามาลูกหลานทำไมมันหนีมาอยู่ทางเนี้ยจนมาส่งกันบ้านนอะ พีแอดยังทํางานแล้วเรียนเลิกทำงานงานี่ปีหน้าหรอเหลือเวลาไว้ภาวนาบ้างช่วงนี้มีป่วยมีเวียนเรื่องน้ำหนูไม่เท่ากันน ะ, นะคะแต่ช่วยให้อยู่กับตัวเยอะกว่าเดิมมากนะคะแล้วก็วิธีปฏิบัติตอนนี้ก็กลับจากที่เคยมาตลอดเลยเพราะว่าจะกลายเป็นว่าจะ จะกลับมาดูกายเหมือนเดิ ม, อมพอดูกายให้จิตสงบแล้วแล้วก็ถึงจะในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะจะตามในช่วงที่ไม่สบายกับดีกว่าเดิมแต่จิตดีนะพี่แอดสังเกตไหมจิตมันอยู่ต่างหากจิตมันแยกจิตกับกายมันแยกออกากายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็สภาวธรรมทั้งหลายก็ไหลามาจิตอยู่ต่างหาก ภาวนาใช้ได้ดี okay. Okay. Okay. แต่ใช้ได้อย่างไม่รู้ว่าใช้ได้ <laughs> ดีแล้วไม่รู้ว่าดีสัง <laughs> เกตไหมใจมันเบาๆใจมันไม่ได้ไปเกาะอะไรนะมันไม่ไปเกาะาธาตุเกาะขันไม่ไปเกาะอะไรอยู่มันอยู่ต่างหากของมันจิตนะใจมีความสุขเบาสบายก็ฝึกของเราอย่างนี้นะแต่ก่อนภาวนาผิดเข้าไปเกาะ ไ่รู้กายก็เพ่งกายรู้จิตก็เพ่งจิตตอนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นก็กำไรแล้วพี่แอดชาตินี้ทำมาถึงตรงนี้ได้นะเกิดไม่ได้มักได้ผลชาติน่า ง, ง่ายแล้วชาตินา ง, ง่ายเกิดมาทันเป็นลูกศิษย์หลวงตาอาสมมฟังธรรม ท, ทีหนึ่งก็ปิ๊งขึ้นมาแล้วจะง่ายไปเชิญทานข้าวไป